ข่าวหน้ากลุ้มโดยดังตรินตอนที่21เฮ้อฮอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นสาวใหญ่วัย้หปีในรัฐฟอริดานั่งอยู่บนเรือดีๆมีปลากะเบนกระโดดขึ้นมาใช้เงี้ยงแทงดับโลกจะกลายเป็นดานประหาหรด้วยยังไงทำไมสัตว์เชื่องเชื่องย่างปลากะเบนถึงทำร้ายคนได้ โลกเป็นแดนประหารราวกับเวทีแสดงมหรสศพแห่งการตายขนาดมาฮึมามาอยู่แล้วครับเพราะทั่วทุกทวีปมีคนตายที่นั่นที่นี่รวมกันเป็นแสนๆอยู่แล้วเพียงแต่เป็นมหรสพแห่งการตายที่กระจัดกระจายหน่อยเลยไม่มีผู้ชมได้ทั่วถึงปลากระเบนเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากทําเอาสตีฟเออร์วินหรือคอกูดฮันเตอร์พิธีกรรายการสารคดีโทรทัศน์ชื่อดังชาวออสเตรเลีย ถึงแก่ความตายโดยบังเอิญขณะกำลังถ่ายทาสารคดีใต้ท้องทะเลในเดือนกันยายนคจศักราช2006สาวใหญ่ในข่าวหน้ากลุ่มคนนี้ยิ่งตายโดยบังเอิญกว่าสตีฟเออร์วินหลายเท่าคาทีนั่งอยู่บนเรือแท้แท้ไม่ใช่ลงน้ำหาเรื่องเสี่ยงตายแต่อย่างใดเลยในทางปฏิบัติแล้วข่าวชิ้นนี้คงไม่อาจเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครได้เนื่องจากเป็นประเภทหนึ่งในรอยล้าน ที่จะมีปลาเหาะขึ้นมาเหนือน้ำและให้เงี้ยงมีพิษของมันแทงเอาจนถึงแก่ความตายแต่ข่าวก็ทำให้คนทั่วไปนึกฉุกใจสงสัยได้ว่าความบังเอิญมีจริงหรือว่าผลอันสมควรแก่เหตุมีจริงกันแน่เรื่องเหลือเชื่อมีให้เห็นทุกวันและมีอยู่เรื่อยเพียงแต่จะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกหรือไม่เท่านั้นเมื่อครั้งพุทธกาลก็มีและได้รับการบันทึกไวในพระไตรปิฎกด้วย ทว่าครั้งนั้นเรื่องเหลือเชื่อก็ได้รับการคลี่คลายให้หายสงสัยเพราะมีพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งแทงตลอดในการวิบากคอยไขอยู่อาทิเช่นเรื่องของอีกาชะตาขาดเรื่องมีอยู่ว่าหญิงคนหนึ่งทำอาหารอยู่หน้าเตาไฟเหลวไฟได้พุ่งจับเตาติดสเสวียน ร, รองก้นหม้อซึ่งทำาบรย่าเสวียนนั้นแขวนอยู่ที่ชายคา พอถูกไฟไหม้ก็มีอันให้ต้องปลิวขึ้นไปบนอากาศด้วยแรงลมขณะนั้นเองพรเอิญมีอี ก, กาตัวหนึ่งบินผ่านมารับเสวียนไฟเข้าคอพอดีอี ก, กาตัวนั้นเลยตกลงมาตายต่อหน้าต่อตาใครต่อใครเป็นที่น่าประหลาดใจยิ่งนักภิกษุหมูหนึ่งเดินบินทบาตอยู่ใกล้ๆเห็นเหตุการณ์เข้าก็พากันดาริว่ากาตัวนี้สงสัยจะกรรมหนัก บินอยู่ในอากาศแท้แทยังอุตส่าห์เจอบ่วงหญ้าพุ่งเข้าคล้องคอเลยชักชวนไปกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าให้หายคาใจกันหลังสดับฟังเรื่องราวจบโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องทรงเห็นด้วยพระจักษุประสาทท่านก็อย่างทราบด้วยพระญาณเกี่ยวกับกาเคราะร้ายอีกทั้งยังแทนตลอดไปจนถึงเหตุให้มันต้องประสบกับชะตากรรมจบชีวิตกระทนหันเช่นนั้น ท่านตรัสประธานคําตอบแก่หล่อภิกษุว่าอาดีตชาติของอีกาเป็นชาวนาคนหนึ่งบังคับวัวจอมขี้เกียจของตัวเองไม่ได้อย่างใจแม้ทุบตีอย่างไรก็เอาชนะนิสัยชอบนอนเกียจคร้านของมันไม่ได้จึงโมโหกโกรธาเอาฟางมามัดเป็นฟ่อนทําเป็นพวงมาลัยสวมคอโคตัวนั้นเสร็จแล้วเอาไปจุดชาปนากิจวัวทั้งเป็นเขายืนดูมันร้องหวยหวนเป็นนาน โดยไม่ยอมใจอ่อนให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งมันตายดับไปต่อหน้าต่อตานั่นเองบาปนั้นหนักแน่นมากเพราะเกิดจากจิตที่คิดกระทําการลงมืออย่างเหี้ยมโหดไร้ความปราณีปราศัยจึงส่งผลให้ชาวนาไปรับกรรมในนรกก่อนจากนั้นยังเหลือเศษบาปอยู่จึงมาเกิดเป็นกาบินอยู่ดีๆเจอวิบากดำดิดบ่วงไฟใส่คอกลางอากาศเข้าให กรรมอาจให้ผลแบบที่ดูเผินๆเหมือนบังเอิญอย่างเหลือเชื่อแต่ตอนที่เจ้าตัวก่อกรรมนั้นไม่เคยมีการกระทําโดยบังเอิญเลยทุกครั้งต้องมีเจตนาเป็นประธานเสมอวิบากกรรมไม่มีหน้าตาแต่มีเหตุการณ์ให้ดูให้ชมโดยดึงเอาวัตถุใดๆในละแวกใกล้มาใช้ก็ได้ทั้งสิ้นจะเป็นวัตถุมีวิญญาณครองหรือวัตถุไม่มีวิญญาณครองก็ตามทีเครื่องประหารนั้นปราศจากความผิด เพราะถูกบังคับโดยวิบากกรรมอันเป็นตุลาการผู้ทรงอำนาจสูงสุดตัวคนถูกประหารก็ปราศจากความผิดเพราะมักจะจําไม่ได้แล้วว่าตนเคยก่อบาปก่อกรรมอันใดมาหรือแม้จําได้ก็มักเปลี่ยนเป็นคนละคนไปแล้วไม่ใช่คนที่มีจิตคิดร้ายเหมือนเมื่อครั้งทําบาปผิดอีกแล้วแล้วอะไรละที่ผิดเราควรโทษอะไรละ่ะ ก็ธรรมชาติของการเวียนว่ายตายเกิดหรือที่เรียกสังสารวัตรนั่นไงที่ผิดเพราะธรรมชาตินี้น่ากลัวทำให้เราลืมการกระทําของตัวเองทำให้เราไม่รู้ว่าบาปมีผลและทำให้เราหมดโอกาส ต, ตั้งตัวรับผลของบาปเมื่อเวลามาถึงชาวพุทธเท่านั้นที่ได้รับการเตือนจากพระศาสดาให้เร่งระวังทุกการกระทาอันกรรมดาของตนเอง ใครทําไว้อย่างไรก็ต้องเป็นทายาทแห่งการกระทําของตนรับผลที่เคยก่อไว้ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งเสมอจนกว่าจะหาทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เจอ